สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่491พระวาทะสุดท้ายของพระเยซูบนไม้กางเขนพระวะทะที่สามพระจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่19ข้อ25ถึงข้อ26พระวาทะที่สามหญิงเอย๋ยจงดูบุตรของท่านเถิด เราทบทวนนะครับพระวาท่าแรกของพระเยซูขณะที่ตะปูกําลังตอกไปที่พระหัตถ์ของพ ร, งระองค์ภาวาท่าแรกนั้นเป็นพระวาท่แห่งการอภัยโทษการขออภัยโทษจากพระบิดาพระเยซูอธิษฐานว่าโอพระบิดาเจ้าข้าขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรนี่คือพระวาท่าแรกพระวะท่ที่สองเป็นถ้อยคาแห่งความรอด วันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองพรมสุกเกมพี่น้องสังเกตนะครับวาทะแรกเป็นถ้อยคำแห่งการอภัยโทษวาทะที่สองนั้นเป็นถ้อยคำแห่งความรอดวันนี้จะเข้าสู่วาทะที่สามวาทะที่สามเป็นถ้อยคำแห่งความรักครับญิงเอย๋ยจงดูบุตรของท่านเถิดพี่น้องครับไม้กังเขนเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่าง ไม้กางเขนเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะเหตุที่ไม้กางเขนนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเท่าที่มนุษย์เคยได้รับและมีมาเพราะเนื่องจากมีองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเยซูคริสต์นั้นได้สิ้นพระชนตายแทนความบาปของเราทั้งหลายทำให้เราพ้นจากกฎต่างๆที่ผูกมัดไม่ว่าจะเป็น คำบัญญัติหรือกรรมซึ่งผูกมัดชีวิตมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัยในการเดทกันไม่กังเขนเมื่อเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งไม่กังเขนเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนด้วยเมื่อเราเห็นชีวิตของนางมารีซึ่งเป็นคุณแม่ของพระเยซูน้องชายน้องสาวของพระเยซู และบรรดาสาวกผู้ที่ทั้งเชื่อและบรรดาคนที่ไม่เชื่อทหารผู้นำาศาสนาหรือแม้กระทั่งโจรที่ถูกตรึงบนแมงเขนพร้อมกับพระเยซูคนที่มึงดูคนที่ประหารชีวิตพระองค์เปลี่ยนทุกอย่างครับไม้แขงเขนนั้นเปลี่ยนแปลงผู้คนในประวัติศาสตร์และเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์เราเห็นนะครับว่าไม้แขงเขนนั้นกระตุ้น ผู้คนในลักษณะต่างๆและในพระธรรมยอนบันทึกพระวาทะที่สามนี้เป็นถ้อยคำแห่งความรักที่พระเยซูแสดงออกต่อนางมารีซึ่งเป็นมารดาฝ่ายโลกของพระเยซูที่น้องครับจากพระธรรมตอนนี้ทำให้เราเห็นถึงความจริงนะครับว่าไม้กางเขนสามารถเปลี่ยนแปลงครับ แปลว่าความรักนั้นที่ได้รับจากไม้กางเขนนั่นเองสามารถเปลี่ยนแปลงผู้คนบางคนหลายคนให้กลายเป็นคนกล้าหาญพี่น้องครับนางมารีนั้นทนทุกข์ทรมานมากที่สุดมากกว่าใครๆเพราะว่านางมารีนั้นได้ตั้งครรภ์และบังเกิดบุตรชายที่มีชื่อว่าพระเยซูเมื่อสามสิบสามปีที่แล้ว ถือว่าเป็นการอัศจรรย์มากแต่ในขณะเดียวกันครับนางเองถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับพระพรมากกว่าหญิงคนใดเพราะนางมีสิทธิพิเศษที่ได้รับพระราชทานจากองค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่กว่าสตรีอื่นใดและในขณะเดียวกันครับไม่ต้องสงสัยเลยครับว่านางมารีเธอก็ทนทุกโศกเศร้ามากที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่านางมารีนั้นเป็นผู้ที่รับ ความรักของพระเจ้าและในเวลานี้พระเยซู ก, กำลังฝากครับกาลังฝากฝากมารีซึ่งเป็นคุณแม่ฝ่ายเนื้อหนังในโลกนี้ของพระองค์ให้กับยอนนะครับสองท่านนี้คือมารีกับยอนอัครสาวกนั้นเป็นผู้ที่อยู่ใต้ไม้กางเขนแหละครับ พี่น้องคงจำได้ว่ามีบุคคลห้าคนอย่างน้อยที่ได้รับการเอ่ยถึงว่าเป็นผู้ที่ไม่กลัวและปรากฏตัวที่ไม้กางเขนคนแรกคือ น, นางมารีครับบรรดาพระเยซูในคนที่สองก็คือยอนครับและทั้งสองทั้งคู่นั้นก็เป็นผู้ที่พระเยซูกล่าวถึงบนไม้กางเขนคนที่สามถ้าพี่น้องจำได้ก็คือมารีมักดาลา และคนที่สี่ก็คือมารีมารดาของยากรบน้อยและโยเซดและคนที่ห้าก็คือนงางโซโลเมซึ่งเป็นมารดาของยากรบและยอนเพียงครับทั้งห้าคนเนี้ยกลายเป็นคนที่กล้าหาญครับไม่กลัวเนื่องจากไมก้กางเขนที่พเพียซูทรงรับความทุกข์ทรมานรับแบกความบาปของเราทุกทุกคนในโลกนี้บนไม้กางเขนนั้นทําให้ คนทั้งห้าคนเห็นสันจธรรมความจริงและกลายเป็นคนกล้าหาญที่น้องครับแมงเขนทําให้เรากล้าหาญไหมครับแมงเขนทําให้คนห้าคนอย่างน้อยกล้าหาญครับกลับมาถึงนางมารีนางมารีเองก็ยังมีลูกชายอีกห้าคนและลูกสาวหลายคนซึ่งบันทึกอยู่ในพระธรรมมาราโกบทที่หกข้อที่สาม ในขนันเดียวกันครับไม้กางเขนกระตุ้นบางคนให้กลายเป็นคนขี้ขลาดเพราะอะไรครับเพราะกลัวครับผู้ที่ติดตามพระเยซูสาวกของพระเยซูหลายคนหนีไปหมดนะครับกลัวที่จะปรากฏตัวที่ไม้กางเขนยิ่งพระเยซูมาใกล้ไม้กางเขนฝูงชนกองเชียร์ก็ยิ่งลดลง สาวกส่วนมากของพระเยซูก็ไปแอบซ่อนเพราะกลัวถูกจับถูกลงโทษเป็นไปได้อย่างมากครับว่าตลอดประวัติศาสตร์คริสเตียนผู้เชื่อจํานวนมากที่อุทิศชีวิตของพวกเขาเพื่อความเชื่อนะครับของคนในรุ่นของเขานั้นมากกว่ามากกว่าทุกยุคทุกสมัยพี่น้องครับในขณะที่ผู้เชื่อบางคนเชื่ออย่างผิวเผินและพอเวลา พบกับปัญหาอุปสรรคความทุกข์ยากลําบากคนเหล่านั้นก็ทิ้งความเชื่อความศรัทธาของเขาที่มีต่อองค์พระบุญเจ้าไปพระเยซูบอกกับสาวกล่วงหน้านะครับว่าพวกเขาเมื่อเชื่อพระเยซูเขาเจรได้ผาผ่ในขณะเดียวกันครับโลกจะดูถูกเขาโลกจะเข้าใจผิดเขาโลกบางทีจะข่มเหงเขาคําว่าข่มเหงนั้นก็คือทําให้ล้มลงทําให้ผิดพลาด ชักนำสู่ความล้มเหลวทำให้ละทิ้งความศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าไปผู้เชื่อจำนวนมากครับมีแนวโน้มที่จะทำให้องค์พระผู้เป็นเจ้าผิดหวังไม่ใช่เพราะว่าการทนทุกข์ฝ่ายร่างกายแต่เพียงเพราะว่าพวกเขาไม่ต้องการถูกใส่ร้ายว่าเป็นผู้ติดตามพระเยซูเท่านั้นเองเนี่ครับนี่คือความเศร้าใจครับนี่คือความน่าอนาจัจใจที่หลายคนนั้น หลุดออกจากทางของพระเจ้าหลุดออกจากพระพรเพราะอุปศักษ์เล็กๆน้อยๆในบรรดาสาวกทั้งหมดสิบสองคนนะครับเสียไปคนหนึ่งก็คือยูดาสที่ทรยศอายัตพระเยซูและจากบรรดาสิบเอ็ดคนที่เหลืออยู่มียอนเพียงคนเดียวครับที่เห็นภาพของการถูกตรึงบนไม้งเข็นของพระเยซูเขาได้สัมผัสกับความรัก ขององค์พระบูพเ็นเจ้าไม้กางเขนนั้นกระตุ้นให้นางมารีซึ่งเป็นบรรดาพระเยซูกับยอนนั้นใกล้ชิดยิ่งกว่าคนในครอบครัวเธอีกเพียงครับพระเยซูได้ให้เกียรบิดดามารดาของพระองค์และขณะที่พระเยซูอยู่บนไม้กางเขนนั้นพระเยซูเรียกคุณแม่ของพระองค์ว่าหญิงเอย๋ยหลายคนบอกว่า นี่เป็นคำที่ไม่สุภาพทำไมเรียกคุณแม่ว่าหญิงเอย๋ยแต่ผมจะบอกกับพี่น้องครับคำว่าหญิงเอย๋ยนั้นได้พบอยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่สามข้อสิบห้ามันเป็นการเรียกของพระเจ้าที่ใช้เรียกผู้หญิงคือเอวาครับพี่น้องครับพระเยซูขณะที่อยู่บนไม่ยังเขนั้นรทรงทรงความเป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็น ในฐานะเดียวกันพระองค์ก็เป็นพระเจ้าร้อยเปอเซนแต่การที่พระเยซูได้ ก, กล่าววาทะแห่งความรักก็คือพระองค์กำลังผูกพันให้คุณแม่ฝ่ายเนื้อหนังของพร ะ, พระองค์เองนั้นผูกพันอยู่กับยอนซึ่งเป็นสาวกที่มีความกล้าหาญเพราะฉะนั้นพระเยซูกําลังยกคุณแม่ให้กับยอนให้ยอนดูแลเพราะว่าพระองค์จะไม่ได้อยู่ในโลกนี้อีกต่อไปแล้ว พี่น้องครับไม่มีพระกิติคุณเล่มไหนเลยที่บันทึกว่าพระเยซูเรียกมารีว่าแม่แต่เรียกว่าหญิงเอ๋ยถึงสองครั้งด้วยกันพี่น้องครับมกันเขนนั้นกนระตุ้นบางคนให้รักกันและกันมากที่สุดนางมารีนั้นสามารถทำให้การจึงดังเขนนะครับ สิ้นสุดโดยการออกชื่อคนที่เป็นบิดาฝ่ายโลกของพระเยซูได้การอ้างสิทธิของพระองค์ที่ทรงเป็นพระเจ้าพระผู้สร้างพระผู้ไถ่พระผู้ช่วยรอดจะสิ้นสุดทันทีเธอไม่ได้ทำเพราะเธอไม่สามารถจะทำได้พี่น้องครับอันนี้เป็นข้อสังเกตของนักวิชาการบางคนแต่คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าในที่สุดแล้ว นางมารีเองนั้นก็รู้เรื่องแผนการของพระเจ้าในที่สุดครับว่าพระเยซูนั้นจะต้องสิ้นพระชนบนไม้กางเขนและไม่มีใครที่จะทําให้การตึงไม้เขนนั้นสิ้นสุดลงได้ยกเว้นแต่การสิ้นพระชนความตายของพระองค์บนไม้กางเขนเท่านั้นในขณะที่พระเยซูได้ถูกตึงไม้เขนพระเยซูกล่าวถ้อยคํำที่สามเป็นถ้อยคําแห่งความรักอยากจะให้ พวกเราทั้งหลายได้รับบทเรียนว่าการจูงกันเขนของพระเยซูทําให้เรากลายเป็นพี่น้องกันครับการจูงกันเขนของพระเยซูทําให้เรารักกันกลายเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเราไม่ควรแตกแยกกันเราไม่ควรที่จะทําให้เข้าใจผิดกันเราจะต้องสื่อสารกันให้ดีและเราจะต้องรักษาความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันให้มากที่สุดคงไว้ซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน ความเอกภาพมากเท่าที่จะมากได้อาเมน